วันนี้พวกเราก็เป็นโอกาสดีมากเลยนะที่ได้มาทาวัดเย็นที่ถ้ำใหญ่น้ำหนาวเนาะก็ เป็นสถานที่ที่ครูบาอาจารย์หลายองค์หลายท่านท่านได้มาปฏิบัติธรรมที่ตรงนี้นะโดยเฉพาะหลวงปูป่พางนะท่านก็อยู่จำพรรษาที่นี่สามปีนะที่จริงพอเรามาเห็นสถานที่ที่ครูบาอาจารย์นะมาปฏิบัติธรรมอะ่ะสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือมัน ทำให้เราเห็นถึงความเรียกว่าความเรียบง่ายเนาะความสมถะนะความที่ไม่ต้อง ม, ไมีไม่ต้องมีสิ่งของไม่ต้องมีอะไรนะมากมายเลยนะมีเพียงแค่กุฏิเล็กๆนะมีน้ำได้สงมีสถานที่พอได้บินทบาด แต่ก็มีสถานที่ที่สงบนะเพื่อได้ปฏิบัติธรรมเพื่อได้ทำความเพียรคือตัวอย่างของครูบาอาจารย์ท่านแสดงให้เราเห็นว่าโอ้ท่านไม่ได้มีสมบัติอะไรมากมายเลยนะมีเพียงแค่สิ่งที่พอได้ใช้นะพอได้อยู่อาศัยนะการอยู่อาศัยนั้นก็เพียงแค่ เพื่อได้เป็นโอกาสในการปฏิบัติธรรมนะครูบาอาจารย์ท่านก็แสดงให้เราเห็นชัดๆเลยนะมันก็น้อมให้เรามาพิจารณาดูตัวเราเนาะว่าออสิ่งของที่เรามีนะอะไรที่มันมันเป็นการสะสมที่มากเกินไปนะมันก็เตือนเราเออเราอะไรเรามีมากเราก็ควรจะสละเสียนะ มันก็คือทานนะนะพอเรามาพิจารณาว่าอะไรที่เรามีมากมันเป็นภาระนะเราก็สละออกไปนะมันจะได้ไม่เป็นความทุกข์ใจหรือบางอย่างเราก็เห็นว่าเออสิ่งนี้เราก็มีมากหรือมีเกินความจำเป็นเราก็แบ่งให้กับคนอื่นที่เขาจะเป็นต้องใชนะ้มันก็เกิดเป็นการทานเกิดเป็นบุญเกิดลต่อไปเรื่อย นะชีวิตเราก็เบามากขึ้นนะอย่างเขาเรียกว่าเป็นภาระนะภาระหัเบนนะมันภาระมันมีสองส่วนนะส่วนหนึ่งที่เป็นภาระข้างนอกนะเป็นวัตถุข้างนอกก็ดีเป็นหน้าที่การงานก็ดีนะเป็นสิ่งที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับข้างนอกก็ดีนะแต่บางทีเราก็ต้องมีบ้างนะ แต่เพียงแต่ว่าเราก็พิจารณาดูว่าอะไรที่มันเกินมากเกินไปเนะเาะแล้วก็สละรู้จักสละออกไปบ้างเนี่ยเนี่ยภาระข้างนอกของเราก็จะน้อยลงไปแต่มันก็มีภาระอีกอย่างหนึ่งที่มันมันมีกันทุกคนเนาะคือขันทั้งห้านี่แหละนะบุคคลเป็นผู้แบกขันห้าเนี่ย หรือขันห้าเนี่ยมันเป็นผู้ที่เราต้องใช้ต้องใช้เขาเนาะแต่พอถ้าเราไปยึดเขาว่าขันทั้งห้าเนี่ยมันเป็นตัวตนของเรานะมีอุปทานอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายนี้เป็นของเรานะจิตใจนี้เป็นของเราอเนาะมันแบกเลยนะแบกแบกความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับกาย แบกความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับใจนะแบกความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนนะอยากให้มันเที่ยงอยากบังคับมันได้เนี่ยไปแบกไปยึดมั่นถือมั่นมันนะ่ยนะเราก็มาปฏิบัติธรรมนะเราเดินตามรอยพระพุทธเจ้าเดินตามรอยพระอริยสงฆ์ทั้งหลายนะ เราไม่ได้เดินตามรอยเพียงแค่สถานที่ที่ท่านเคยอยู่อาศัยหรือว่าวัดวาอารามที่ท่านได้สร้างนะเพื่อสั่งสอนญาโยมนะแต่สิ่งสำคัญคือการที่เราเดินตามรอยของท่านด้วยด้วยจิตใจนะที่เป็นเช่นเดียวกับท่านนะเดินตามรอยของท่านนะอย่างหลวงปูพ่พางเนี่ยท่านก็ท่านก็ออกบวชตอนอายุเยอะนะ อายุ43ปีแล้วเคยมีชีวิตที่เป็นคารวาด์นะเคยมีครอบครัวแต่พอถึงจุดหนึ่งของชีวิตก็คง <c oughs> เบื่อหน่ายนะในชีวิตคาราวาด์ก็ออกบวชจะเรียกว่าแม้อายุค่อนคนเนาะ43นี่ก็มากกว่าครึ่งหนึ่งของค่าเฉลี่ยทั่วไปละก็เรียกว่ามีประสบการณ์ทางโลกเยอะ ก็ออกบวชตอนอายุค่อนข้างเยอะแต่ท่านก็เป็นผู้ที่ใฝ่ธรรมนะก็ทำให้ท่านมีคุณธรรมที่สูงนะังั้นการออกบวชแม้ตอนอายุเยอะก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคนะถ้ามีความตั้งใจในการปฏิบททัติธรรมจริงๆนะ ก, ก็สามารถทำได้นะคือหรือบางคนไม่ออกบวชนะแต่ถ้าเราได้ปฏิบัติธรรม ตามที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ทําให้เราเห็นนะั่นนะเอาตัวอย่างที่ท่านทํำนี่แหละนะบางทีก็แบบเนี้ยมาอยู่เงียบๆแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราได้เห็นเห็นตัวเองชัดขึ้นนะนบางคนก็ต้องลองมาอยู่ถ้าบ้างก็ดีนะอย่างพระถ้ามีโอกาสเนี่ยลองอยู่ถ้าบ้างลองไปอยู่ป่าช้าบ้างเอยนะ หรือลองเข้าไปอยู่ในป่าบ้างนะเราไปไม่ใช่เพราะว่าที่นั่นจะทำให้เราบรรลุธรรมนะเพราะว่าถ้าอยู่ป่าแล้วป่าทำให้บรรลุธรรมเนี่ยสัตว์ป่าก็คงบรรลุธรรมแล้วหรือถ้ำทำให้เราบรรลุธรรมก็ไม่ใช่ไม่งั้นค้างคาวเขาก็บรรลุธรรมแล้วแต่เราอาศัยสถานที่นั้นเพื่อจะได้เราจะได้เห็นนะ เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจนะโดยเฉพาะในใจนะใจมีความกลัวมากน้อยขนาดไหนนะใจมีความนะวามิตกกังวลมากน้อยขนาดไหนใจมีความคิดปรุงแต่งนถึงเรื่องความสุขความสบายความอำนวยความสะดวกมากน้อยขนาดไหนนะเราก็จะได้เห็นมันตอนที่มันขาดนี่แหละนะนะ อันนี้มันก็คือโอกาสหนึ่งที่จะทําให้เราได้เห็นกายเห็นใจตัวเองได้ชัดขึ้นเนะี่ยลองอยู่ที่ไหนก็ได้นะอย่างเช่นเราอยู่วัดเราก็ลองปีกไปอยู่เมร์แบบเนี้ยก็ได้นะหรือบางช่วงเรามีโอกาสนะก็ไปอยู่ที่ป่าไปอยู่ที่ถ้าบ้างก็ได้หรือเป็นคาราวาสนะแล้วก็ออกจากบ้านนะมาอยู่วัดบ้างนะ โดยเฉพาะวัดที่กันดารหน่อยแบบเนี้ยมันก็เป็นการฝึกตัวเองได้ค่อนข้างดีนะว่าเอออยู่แบบอาหารการกินก็นะแค่พอได้ประทังชีวิตนะที่นอนนะที่พักนะมีเต็นท์ก็อยู่ได้แล้วนะมีน้ําใช้มีห้องน้ําใช้นิดนึงนี่ก็สบายแล้วนะไม่จําเป็นต้องมีน้ําอุ่นก็ได้นะชีวิตก็อยู่ได้ละ คือถ้าจิตใจของเรามีความสันโดษนะสันโดษแปลว่าพอใจในสิ่งที่ที่มีอยู่ขนาดนั้นนะแล้วก็ไม่กังวลไม่ดิ้นรนในการที่ต้องแสวงหาอะไรที่มันฟุ่มเฟือยนะหรือเพื่อสนองกิเลสนะนี้เรียกว่าสันโดษพอใจเรามีความสันโดษนะจิตใจจะสงบได้ง่ายมากเลย ใจที่ไม่สงบนะสิ่งที่ตรงข้ามก็คือความวุ่นวายนะความอยากนะอยากจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้นะอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เนะี่ยสิ่งนี้แหละมันเป็นอุปสรรคของความสงบนะของสมาธิถ้าเราละนะความอยากพวกนั้นไปได้นะมีความสโดบมีความพอใจในในชีวิตที่เรามีอยู่นะใน ขนาดนี้ที่เราอยู่เนะี่ยพอใจมีความสันโดษนะจิตจะสงบลงมานิวรณ์ก็จะน้อยลงไปนะจิตใจก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธินะแต่เป็นสมาธิที่มันสงบมันตั้งมั่นนะแต่เราก็ไม่ไปติดมันนะไม่ใช่พอมันสงบแล้วเราก็แช่อยู่ในความสงบแต่พอมันสงบแล้วมันจะทำให้เราได้เห็นว่าอ้อ เวลาจิตมันสงบเนี่ยพอมีอะไรเกิดขึ้นมาในจิตใจเนี่ยมันก็จะเห็นได้เร็วเกิดความคิดขึ้นในใจนะก็มองเห็นเกิดความกลัวขึ้นในใจก็มองเห็นเกิดจิตที่มันเคลื่อนออกไปจากฐานก็มองเห็นนี่คือจิตที่สงบจริงๆนะเหมือนคล้ายๆเหมือนกับน้าที่มันนิ่งนะ มีอะไรกระเพื่อม น, นิดนึงบนผิวน้ำเนี่ยเราก็มองเห็นจิตใจที่นิ่งสงบก็เหมือนกันพอมีสิ่งมากระทบนะเราก็จะรู้ทันกระทบแล้วเกิดการปรุงแต่งเราก็จะรู้ทันนะอันนี้คือมันจะเป็นการรู้ทันจิตรู้ทันความคิดขึ้นมาเนี่ยจิตที่สงบจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาสมาธิคือไม่ใช่สงบแบบนิ่งเฉย ไม่สนใจโลกแต่เป็นความตั้งมั่นแล้วก็เป็นความค่องแค้่วว่องไวนะมีสิ่งแปลกปลอมขึ้นมาเราก็มองเห็นได้แล้วเราจะเห็นเลยว่าโอ้ที่งจริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคือการปรุงแต่งนี่วานะปรุงให้เราชอบปรุงให้เราไม่ชอบปรุงให้เราอยากได้ปรุงเป็นนั่นเป็นนี่ไปนะแต่จริงพอเรารู้ทันความปรุงแต่งนะ ความปรุงแต่งมันก็หยุดลงไปนะเออไม่ใช่อะไรเลยนะมันทุกข์เพราะว่ามันคิดปรุงแต่งนี่นะไม่ใช่ทุกข์เพราะเรื่องอะไรเลยนะมันกลัวนี่ก็คือความปรุงแต่งมันอยากได้ก็คือความปรุงแต่งนะมันดิ้นรนขนไหายก็คือความปรุงแต่งแม้แต่ดิ้นรนจะให้จิตมันดีดิ้นรนจะให้จิตมันมีความสุข ดิ้นโดนจะพ้นจากความทุกข์มันก็คือการปรุงแต่งนิวาเณนะ์นยพอเห็นแล้วโอ้จิตมันก็จะเลิกดิ้นโลนลงมาสงบระ ง, งับลงมาจะเห็นโอ้มันทุกข์เพราะจิตมันดิ้นโนเพราะจิตมันปรุงแต่งพอมันไม่ทุกข์ก็คือจิตมันไม่ดิ้นโนมันไม่ปรุงแต่งนะมันก็เป็นความสงบเข้ามาแล้วนะเป็นความสงบแบบมีปัญญาเห็นนะเห็นจิตการปรุงแต่งเนี่ยแหละนะ สังขารมันก็ดับไปนะก็กลายเป็นวิสังขาร น, นะสงบระงับลงมาอันเนี้ยมันมีประโยชน์มากถ้าเราภาวนาแล้วเราเห็นตรงนี้นะโอ้จะรู้สึกเลยธรรมะของพระพุทธเจ้านะที่สอนพวกเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้จริงๆเลยนะอครูบาอาจารย์ท่านก็เห็นตรงนี้นะท่านมาอยู่ป่าท่านก็ไม่ใช่ว่าสงบแบบไม่รู้อะไรเลย แต่ถ้าสงบแบบท่านเห็นความจริงของกายของใจอาศัยธรรมชาตินะเป็นสิ่งแวดล้อมอาศัยธรรมชาติเป็นครูสอนนะนะก็ได้ธรรมะจากธรรมชาตินะได้ธรรมะจากการเห็นกายเห็นใจของเราเองนี่แหละนะเราก็เอาตัวอย่างของครูบาอาจารย์เนาะนะมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตนะช่วงไหนที่เราได้อยู่กับธรรมชาติเนี่ย ถือว่าเราได้ใกล้ชิดกับธรรมะนะใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์นะมากขึ้นนะพระพุทธเจ้าท่านก็ออกบวชท่านก็อยู่ที่ป่าตัดสรู้ธรรมะก็ตัดสรู้ที่ป่านะสอนธรรมหรือส่วนใหญ่ก็หลายหลายที่ก็สอนในป่า ปฏิญญาพานก็ในป่านะครูบาอาจารย์เองก็นะเข้ามาอยู่ป่าเพื่อปฏิบัติธรรมนะหรือแม้แต่หลวงพ่อเขียนเองท่านบอกว่าถ้าเราดูดีๆนะธรรมะเนี่ยเขาก็สอนธรรมะของเรานะสอนธรรมะกับเราได้เหมือนกันนะถ้าเรามีสติปัญญาเราจะเห็นอใบไม้ร่วงนะพิจารณาดีๆก็เป็นธรรมะ มันน้อมเข้ามาใส่ตัวของเราได้ทั้งนั้นเลยน ะ, นะก็เราก็เรามาอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะตามรอยเส้นทางครูบาอาจารย์ต่างๆก็ให้เราได้ได้ตามรอยธรรมะของท่านด้วยนะโดยการพยายามนะกลับมาเห็นกายเห็นใจของเราบ่อยๆแล้วก็รู้ทันการดิ้นร น, นขนไคว์นะ รู้ทันการปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นในจิตใจนะเห็นว่าความอยากความปรุงแต่งเนะี่ยมันคือตัวทุกข์นะมันคือเหตุของความทุกข์เมื่อไรที่มีสติรู้ทันละจิตมันก็สงบระงับลงนะก็คือความไม่ทุกข์นะมันก็เกิดขึ้นไดนะ้ถ้าเราทุกคนก็สามารถทําได้นะแล้วก็จะเป็นการเรียกว่าผมว่าเป็นการ ตืบตอพุทธศาสนาที่ยั่งยืนมากนะนะการสร้างวัดก็ดีหรือการสร้างวัตถุสิ่งของก็ดีนะมันก็ไม่ใช่ตัวพุทธศาสนาจริงๆนะมันก็เป็นเพียงแค่สถานที่หรือเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์นะเพื่อให้ได้มีคนมาใช้มาเข้ามาทำบุญเฉยๆแต่ตัวบุญกุศลตัว พุทธศาสนาจริงๆเนี่ยมันคือกายคือใจของเราเนี่ยแหละนะถ้าใจเรามีธรรมะใจเรามีพุทธะขึ้นในใจเนี่ยจะไปที่ไหนจะอยู่ที่ไหนจะทําอะไรเนี่ยมันก็คือตัวตัวเผยแพร่ศาสนาที่ดีที่สุดเลยนะตัววัดวาอารามนะบางทีก็มีเพียงแค่เป็นวัตถุเฉยแต่ก็ไม่ได้สอนอะไรมากเพราะว่ามันก็เพียงแค่ เป็นสถานที่บางทีบางคนก็ต้องดิ้นโดนสร้างมาหรือว่าต้องเหนื่อยในการรักษานะแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันคือจะอยู่ที่นั่นก็ได้นะสติก็จะคุ้มครองรักษาเองนะไม่ต้องเหนื่อยในการปัดกวาดเช็ดถนะูไม่ต้องเหนื่อยในการหาเงินหาทองมาสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างอะไรเยอะมากมายเลยอืมนะ เราก็เพียงแค่ใช้ความตั้งใจจริงของเราเนี่ยแหละนะเป็นสิ่งสําคัญนะความตั้งใจนะที่มุ่งมั่นในการที่จะฝึกฝนตัวเราเองนะในการที่จะพัฒนาจิตเนี่ยสิ่งนี้สําคัญมากความตั้งใจจริงถ้าเรามีความตั้งใจจริงคราวนี้เราก็มันจะมีการเรียกว่าศึกษานะมีการปฏิบัติ ในขณะที่ศึกษาและปฏิบัติอาจจะผิดบ้างถูกบ้างนะนะทุกบ้างนะไม่ทุกบ้างนะแต่มันก็คือประสบการณนะ์ประสบการณ์ให้เราได้เห็นว่าเออทางที่ผิดเป็นแบบไหนทางที่ถูกเป็นแบบไหนประสบการณ์จริงนั่นแหละคือตัวปัญญานะที่เราจะเกิดขึ้นเราจะได้คําตอบของเราเองเราจะหมดความสงสัยด้วยตัวของเราเองนะ เราจะรู้ด้วยตัวของเราเองเนะี่ยคือของจริงนะและเวลาเราเจอปัญหาหรือเราต้องมีโอกาสบอกสอนคนอื่นนะเราก็จะสอนได้ด้วยความมั่นใจนะบอกได้ด้วยความมั่นใจนะเพราะมันผ่านประสบการณ์ที่เราได้ลองผิดลองถูกแล้วเนะี่ยนี่คือสิ่งที่สำคัญมากนะก็ให้เราเดินตามรอยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆนะ์เนาะโดยการที่เอาจิตเอาใจของเราเนี่แหละนะเป็นผู้เดินตาม แล้วเราก็จะพบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะที่กายที่ใจของเรานี่แหละเนาะแล้วก็ฝากไว้ครับ